พวกเราก็ได้สวจในบทพิจารณาพิจารณาความความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตนในห้าห้าประการเนาะความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าสูญเสียจากของรักจากคนรัก แล้วก็ความมีกรรมนะเป็นของตัวนะทากรรมดีก็ย่อมได้ดีทํากรรมชั่วก็ย่อมได้ชั่วเนะี่ยเชื่อในผลของกรรมนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ให้เราได้พิจารณาเนาะพิจารณาคือการแล้วลึกถึงนะเห็นสิ่งต่างๆก็มันก็ล้วนเป็นเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะ ถ้าเราพิจารณาดีๆถ้าเราเข้าใจนะความทุกข์มันก็จะจางคายไป เ, ยเหมือนบางทีก็จะมีเรื่องการพิจารณาเช่นพิจารณาความตายเยนี่นะถ้าเราพิจารณาเรื่องความตายแล้วความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะจางคายไปเนาะถ้าเราคิดถึงว่าเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นมีนี่ เราคิดถึงว่าสักวันหนึ่งเราตายเราก็อะไรเป็นไม่ได้ทั้งหมดเนาะอืมมันก็ไม่มีสิ่ ง, งต่างๆที่เราคนขวายดิ้นรนที่จะได้มาเนี่ยมันก็พอถึงตอนตายจริงๆก็ไม่มีค่านะไม่มีราคานะมีหลายคนที่พอป่วยหนักนะพอใกล้จะตายค่อยคิดแบบนี้ได้นะ ก่อนหน้านั้นชีวิตก็ดิ้นร น, นขนควายหาทรัพย์หาชื่อเสียงเกียรติยศนะาความมั่งคั่งนะทางโลกนะแต่พอถึงคราวที่ตัวเองใกล้จะเสียชีวิตนะค่อยตระหนักว่าที่จริงออสิ่งต่างๆพวกนั้นนะมันมันไม่ใช่เป็นตั ว, ตวหล่อเลี้ยงความสุขให้กับเข า, าจริงๆเลยนะ พอถึงขาวเจ็บหนักเนี่ยคอยรู้ว่าที่จริงความสุขมันแค่ถ้ามันเจ็บน้อยลงเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้ว <c oughs> ไอ้ที่เคยมีชื่อเสียงเกยียรติยศเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้เป็นความสุขในช่วยให้มีความสุขในตอนนี้ได้เลยนะมันสื่อว่าแค่บรรบรรเทาความเจ็บได้นิดนึงเนี่ยเป็นความสุขแล้วนะหรือถ้านะถ้าจะตายจริงๆิเนี่ย วัตถุสิ่งของทางโลกนะเราก็เอาไปไม่ได้นะเราเอาไปไม่ได้ยังงั้นเราไม่รู้จะดิ้นรนควายหามันมากมายไปเพื่ออะไรกันเนาะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาก็ทำให้เราคลายตัณหาได้เยอะนะแม้อาจจะยังไม่หมดไปแต่อยังงั้นก็คลายความอยาก ที่มันเยอะแยะมากมายในในโลกนี้เนาะอะไรก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะแต่พวกเรามาปฏิบัติธรรมก็คงลดเรื่องพวกนั้นไปได้เยอะแล้วแหละนะแต่บางทีคนทางโลกเขาก็เมื่อไม่พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บและความตายรนะดมทั้งความพัดภาคสูญเสียนะไอ้พวกเนี้มันเป็นสัจธรรมที่ ที่เราต้องเจอกับชีวิตเนาะต้องเจอกับร่างกายนี้นะถ้าเราพิจารณาดีๆเนะี่ยเราจะอืมมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในในสิ่งข้างนอกนะเบื่อหน่ายไม่ใช่การรังเกียจนะอบางคนภาษาไทยเบื่อหน่ายคือรังเกียจนะเบื่อหน่ายชนเบื่อหน่ายเอ้ยคนนี้นะเบื่อไอ้คนนี้นะที่จริงก็คือรังเกียจคนนั้นนะหรือเบื่ออาหารนี่ละก็คือ ไม่ชอบอา <c oughs> หานี้ลนะนแต่จริงเบื่อหน่ายก็คือคลายความกําหนัดคลายความอยากได้นะคลายความอยากได้ไม่ใช่เกลียดนะเป็งแค่คลายแต่ก่อนเคยอยากไดนะ้เคยอยากมีเคยอยากเป็นแบบนั้น <c oughs> พอเบื่อหน่ายก็คือคลายความอยากนะนะแต่ไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวนะไม่ได้เกลียดความแก่นะ พราความแก่ก็เป็นสัจธรรมเนาะถ้าเราคิดถึงว่าโอ้วันนี้เรายังหนุ่มยังสาวยังหล่อยังสวยยังแข็งแรงอยู่เนะมื่อคิดถึงนะความแก่ขึ้นมามันก็ อ, อมันไม่จีหลังยั่งยืนเนาะคนที่เราหลงนะว่าดูดีสักวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บไม่มีอะไร ที่จะยึดถือได้จริงๆนะมันมีแบบมีคลิปวิดีโอหนึ่งนะเขาทาเป็นเพลงเขาก็ทำดีนะทาเป็นเพลงธรรมะนะเป็นเพลงแบบเชิงแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงนะเขาก็ตัวอย่างเขาจะเน้นเนี่ยแหละเน้ น, น, นทำแบบเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรภาพที่มันแบบให้แสดงเห็นมิติเนาะ คนเราเกิดมาเนอะพอผ่านสักต่างๆก็ค่อยๆโตขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเจอแฟนแต่งงานกันมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ค่อยๆเปลี่ยนภาพไปเรื่อยสุดท้ายตัวเองก็แก่แล้วสุดท้ายก็ตายแล้วก็แสดงภาพแบบเนีน้คนเราที่จริงเกิดมากับตายไปนี่มัน มันไม่นานนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นนร่างกายนี้นะมันเป็นของชั่วคราวนะของชั่วคราวเท่านั้นแต่บางทีถ้าบางทีคนสมัยใหม่นะหลายหลายคนนะหรือคนที่ไม่เชื่อเรื่องเรื่องการเวียนไว่ายใจเกิดเขาจะคิดว่าเออร่างกายเนี้ยมันเกิดมา ก็ใช้ให้มันเต็มที่นะใช้ในการเสพความสุขนะที่คิดว่ามันเป็นความสุขที่สุดยอดอยู่นี้เนาะเขาใช้เป็นแบบนัน้นนั่นคือคนที่ไม่มีปัญญาเนาะคิดอย่างนั้นนะไปคิดว่าร่างกายนี้เกิดแล้วก็ดับนะก็ไม่มีอะไรละนะบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีดังนั้น ให้มันเต็มที่ซ ะ, ะอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองก็ใช้เต็มที่แต่บางทีก็ไม่ค่อยคิดนะว่าให้ความสุขของตัวเองบางทีไปเบียดเบียนให้คนอื่นเขาทุกข์หรือเปล่าใช่ไหมเช่นสมมุติบางคนกินเหล้าโอ้สุขสนุกสนานเต็มที่นะแต่ก็อาจจะโวกเวกโวยวายสร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านใช่ไหมหรือขับรถขั บ, บราาประสบอุบัติเหตุน เป็นปัญหากับคนอื่นที่โดนตัวเองชนวันนะี้อันนี้คือบางทีความสุขแบบคนที่ไม่ยังคิดเนาะก็จะคิดถึงแต่ความสุขสนุกสนานของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นเราทําตัวไม่ดีเราทําตัวแบบสนุกสนานแบบนั้นพ่อแม่เราจะไม่กำบลเหรอนะเขาก็ย่อมกำบลใช่ไหม คนที่รักเราเขาก็จ้องกังวลเมื่อเห็นเราทําตัวไม่ดีเห็นทําตัวแบบสนุกไปวันวันอันนี้คือเราคิดถ้าเราคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองเราก็จะอาจจะสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นนะแต่คนส่วนใหญ่ที่คิดแบบนั้นก็จะไม่รู้ตัวละ่นะถ้ารู้ตัวก็จะไม่ทำํำนะแต่ถ้าไม่รู้ตัวนั่นแหละก็เลยเผลอทําแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้น แต่พวกเราในที่นี้ก็คงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะนั้นชีวิตที่จริงมันมันเป็นการเวียนว้ายตายเกิดเนาะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดของเหตุที่ทาให้เราเกิดเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงนี่แหละไม่รู้ความจริงว่าชีวิตมันเป็นทุกข์เราคิดว่ามันเป็นทุกข์บ้างสุ ข, ขบ้างเราก็บางทีก็อยากบางทีก็ไม่อยาก มันก็เลยเป็นเหตุให้เราเกิดขึ้นมานะในอัตภาพต่างๆเนาะแต่เราก็โชคดีนะนะมีเหตุดีได้เกิดมนเป็นมนุษยนะ์ได้เกิดในเมืองไทยด้วยนะอันนี้คือมันเป็นเหตุที่ดีนะในมงคลนนสูตรนะก็บอกปฏิรูประเทสวสโซจานะการอยู่ในประเทศอันสมควร นะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะมันก็ใช่นะแค่ดูในโลกปัจจุบันเนะี่ยสมมติถ้าเราไปเกิดในประเทศที่มีสงครามกลางเมืองเนะี่ยเราจะอยู่ได้อย่างสงบสุขหรือเปล่านะเราจะไม่กลัวคนมาทำร้ายหรือเปล่านะหรือที่จริงอย่างไม่แต่ในประเทศบางประเทศที่ดูดีนะอย่างเมื่อวานก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันนะเมื่อคืนวานเกิดเหตุระเบิดหลายจุดเลย อยู่ในกลางกรุงปารีสนะประเทศฝรั่งเศสมีคนตายเป็นมกักตอนนี้มากกว่าร้อยศพแล้วเท่าที่ทราบกันอืมขนาดอยู่ในประเทศที่ดูทันสมัยดูสิวิไลนะแต่ก็ <c oughs> วันดีคืนดีก็เนะี่ยมีระเบิดนะฆ่ากันนะก็คงเป็นกลุ่ม กลุ่มอิสตามที่นิยมความรุนแรงนะเีนะ่ยก็เป็นแค่บางกลุ่มนะมนไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นเพียงแค่กลุ่มที่เขานิยมนะหรือว่าที่เขาเชื่อว่าต้องทําแบบนี้เนาะมันก็ทําให้เกิดปัญหาต่อโลกนี้พอสมควรนะนะนั้นพอเราพิจารณาเลยดีเออเราอยู่ในประเทศที่สมควรแล้วนะนะถ้าเราอยู่ในประเทศที่เขาอดอยากนะ ในแอฟริกาใดใดประเทศที่บางประเทศก็มีสงครามกลางเมืองบางประเทศก็อดยากมากมายเนี่ยโอ้มันลําบากนะเอมันลําบากนั้นเราอยู่ในประเทศที่ที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมากเนี่ยมันมันเอื้อในการภาวนาของเราละเอาง่งายๆที่จริงถ้าเราจะดูนะที่จริงร่างกายของเรานี่ก็เหมือนมันก็เอื้อนนะ ถ้าตอนไหนที่มันแก่มากๆมันเจ็บมากๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเอื้อในการนั่งในการเดินอืมในการกินในการนอนใช่ไหมแค่นี้มันลําบากกันนะเมื่อเราลําบากร่างกายแล้วมันก็ยากในการภาวนาระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาเริ่มต้นฝึกในตอนที่ร่านกายมันลําบากเนี่ยโอ้มันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนี่มันลาบากมาก อย่างอาจารย์คำนพลเคยเล่าแบบเวาลาแต่ก่อนนั่งสมาธินะ่ะหม่ถึงไม่ใช่นั่งหลับที่จริงก็อาจจะนอนสมาธิอนะเน่ะนอนดูลมหายใจทำแบบสมาธิทำไปสักพักมันก็หลับนะ่ะเพราะว่านิบอลนนะ่ะทำเข้ามาครอบงำหรือแม้แต่โอ้จะเพียกมือเคลื่อนไหวนะ่ะอยู่บนเตียงนะ่ะโอ้อยู่คนเดียวด้วย ความง่วงนะข้อชวนนะให้หลับนะอย่างเราเองขนาดบางทีเดินจงกลมเนาะก็ออยังง่วงนอนนะนั่งสร้างจังหวะนะก็ออยังมีความง่วงนะมันก็มันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยเอื้อนะหรือเราไปเจอคนไข้ลายคนเนะี่ยเราก็ไปแนะนำวิธีปฏิบัติเขาได้นะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ค่อยได้ต่อเนื่องเพราะว่าทำไปสักพักก็ ปวดเมื่อยนะเหนื่อยล้านะหรือบางทีพอทุกขเวทนาเข้ามาหนักๆ ก, ก็ก็ไม่ไหวนะก็เข้าไปเป็นกับเวทนานั้นๆก็แต่บางคนถ้าตั้งใจจริงนะก็ก็ได้เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้เราพิจารณานะคือเรื่องเรามีกรรมเป็นของของตัวเนี่ยแหละนะเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่ว ย, ย่อมได้ชั่วนะ เราทำกรรมที่พ้นจากความทุกข์ก็ย่อมมีเหตุเป็นเป็นเหตุให้เกิดผลคือพ้นจากความทุกขนะ์ก็มีโยมนะเนะี่ยปรึกษาเนะี่ยโทรมาปรึกษาเขาก็สับสนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำดีนะเขาทำดีเขามีคู่อนะแต่ทำไมคู่ของเขาแบบไปมีชู้นะ ไม่ซื้อสัตว์นะอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมของเขาหรือเปล่านะผมอาตมาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่กรรมของเราอันน้นคือกรรมของนั้นกับคือกรรมของคนที่เขาทำผิดนะคนที่เขานะไปมีชู้นั่นคือกรรมของเขานะไม่ใช่กรรมของเรานะเขาทำกรรมไม่ดีนะเขาก็ย่อมได้รับผลไม่ดีของเขาไงนะ เราทํากรรมดีเราไม่ได้เป็นมีชู้เราซื่อสัตย์เนี่ยถือว่าเราทําดีแล้วนะเนี่ยคือกรรมของเราคือตรงนี้นะกรรมคือการกระทํานะเราทําดีก็เราก็เชื่อการกระทําของเราเนาะแต่คนไทยส่วนใหญ่ไปคิดว่ากรรมคือเราเจอปัญหานะเราชีวิตมันไม่ราบรื่นชีวิตมันมีอุปสรรคอันนั้นไปคิดว่านั่นคือกรรม คือกรรมทำไมเราทำดีแล้วเราต้องเจอเจอกรรมแบบนี้นะต้องเจอปัญหาแบบนั้นด้วยที่จริงเอกกรรมแบบนั้นนะมันมันเรียกว่ามันเป็นวิบากของกรรมในอดีตเนาะเราก็เลือกไม่ได้นะที่จริงทุกคนก็ต้องเจอนะเราอยู่กับโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้า โดนคนตามด่าโดนคนตามฆ่านะโดนคนนินทานะก็เยอะแยะเหมือนกันนะนะคนสรรเสริญคนยกย่องคนนับถือก็เยอะนะแต่คนไม่ยกย่องคนอาฆาตมาดร้ายก็มากเช่นกันถ้าเราพูดถึงเนี่ยนะพระเจ้าเป็นคนที่มีบารมีเยอะนะบำเพ็ญบารมีจนพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ท่านก็ไม่ได้พ้นจากโลกกระทำฝ่ายลบนะไม่ได้พ้นจากคาตําหนิดินทาไม่ได้พ้นจากการมุ่งร้ายของคนอื่นเราเองถ้าเราพิจารณจริงเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยการมีปัญหาการมีอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องเจอแล้วนะถ้าคนมีเป็นสติปัญญาจะไม่จะไม่ไปโทษว่า จะไม่ไปโทษว่าคนอื่นเขามาทำนะให้เราเดือดร้อนทุกข์ร้อนนะหรือไปคิดว่าทำไมเราทำดีแล้วทำไมต้องได้กรรมแบบนี้ด้วยมีเวทมีกรรมแบบนี้ด้วย <S <S พอคนคิดแบบนี้บางทีก็จะไปคิดถึงเรื่องการทำบุญเพื่อแก้กรรมน ะ, นะ <S <S ทำบุญเพื่อแก้กรรมทำบุญเพื่อสะดอกเคาะห์นะจะได้ไม่เจอเรื่องซืยอซวยนะ แต่จริงมันมันเป็นคนละแบบเลยนะคนละแบบอืมเราทําบุญก็ส่วนหนึ่งนะวิบากของกรรมที่มันเกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งทําบุญคือทํากรรมดีนะนะแต่วิบากของกรรมเนี่ยบางทีเราก็เรื่องเรื่องไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีบ้างธรรมดาเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าต้นหนึ่งเนี่ยนะขนาดที่ปลูกต้นไม้เราใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ ถามว่าเราจะบังคับไม่ให้มันมีหญ้าเกิดขึ้นได้หรือเปล่าบางทงก็ไม่ได้นะปลูกต้นไม้ไปแล้วนะ่ะอาจจะมีแมลงมากัดมาเกาะมากินต้นไม้ที่ปลูกก็ได้นะ่ะไอ้ต้นหญ้าหรือแมลงเนี่ยมันคือคือปัญหาหรือุอุปสักนะ่ะที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำกรรมที่ดีกรรมดีคือการปลูกต้นไม้นะ่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือน หญ้าหรือแมลงเป็นอุปสรรคที่มาทดสอบเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะออถ้าเรามองเป็นเรื่องธรรมชาติออมีแมลงเราจะกําจัดอย่างไรมีหญ้าเราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ต้นไม้มันเติบโตงอกงามขึ้นอันนั้นก็คือเราก็ใช้สติปัญญาเนาะแต่เราจะห้ามให้ไม่ให้เขาเกิดไม่ได้หรอกเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะเราทําดี รืแม้แต่ทากรรมฐานก็ดีนะมันก็ย่อมมีสิ่งที่มาทดสอบสิ่งที่มานะทำให้เราไม่มั่นคงในการภาวนาหรือในการทาความดนะีแต่มันก็เป็นเพียงแค่การทดสอบนะนะถ้าเราเชื่อมั่นในกรรมการกระทาจริงๆเนะ่ยเราจะกลับมาดูตัวเองว่าเออกลับมามีสติกลับมาดูตัวเองกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเออเราได้ทำเหตุที่ดีแล้วนะ เราได้ทาเหตุที่ดีแล้วเราก็พอใจในเหตุที่เราได้ทํานะเราพอใจที่เราได้ปลูกต้นไม้แล้วนะนะอันนั้นคือสิ่งที่เราได้ทําดีแล้วนะเราพอใจในสิ่งที่เราได้ทําดีแล้วอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็แก้ไขปัญหาไปด้วยสติด้วยปัญญาเนาะไม่ไปโทษว่าทําไมต้องเจอแบบนี้ด้วยนะทาไมต้องมีแบบนั้นด้วยนะถ้าเรามีสตินะเราจะมีปัญญาเห็นว่า ปัญหานะอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกขนะ์แต่เพราะใจที่มันไม่ชอบใจที่มันไม่พอใจหรือใจที่มันไม่เข้าใจความจริงนั่นแหละมันเลยทําให้คิดนะหรือทาให้ไปยึดว่ามันคือทุกข์ของเรานะถ้าเรามีสติมีปัญญายเราจะแยกได้ระหว่างความทุกขนะ์กับปัญหา ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่โรคนะเราอยู่กับโรคไม่ว่าจะโรคไหนก็แล้วแต่นะโรคมนุษย์โรคสวรรค์โรคนรกอะไรก็แล้วแต่นะย่อมมีปัญหามันเป็นของคู่โรคนะปัญหาเป็นของคู่โรคแต่ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีสติเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันอะไรไม่รู้ทันว่าเราไปแบก ไม่รู้ทันว่าเราไปยึดนั่นแหละนะเหมือนที่วันก่อนเนาะหลวงพ่อชาพึ่งพูดหินนะ่ะมันอยู่เฉยเนะ่ะมันไม่ได้หนักเนาะแต่พวเมื่อเราอยากจะไปแบกมันอยากจะไปถือมันเน่ะเมื่อนั้นมันหนักขึ้นทันทีนะไม่ใช่แต่หินนะไม่แต่กระดาษใบเดียวเนีน่ยเราถือแล้วก็แรกมันดูไม่หนักนะ แต่ลองถือเป็นหลายหลายชั่วโมงหรือสินะมันก็มันอาจจะไม่ไหนักในความในความเป็นน้ำหนักนะแต่มันก็จะรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะเพราะอาการที่เราไปถือไว้นะไปยึดไว้นั่นแหละนะอันนี้ยมันก็จะเห็นเออที่จริงมันทุกข์เพราะว่าเราไปถือเราไปยึดนะเราไปเกาะเกี่ยวมันจริงจริงแต่ถ้าเรามองมันเป็นเรื่องธรรมดามองเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยเอ มันก็ไม่ทุกเนาะอันนี้แหละสติจะช่วยให้เราเท่าทันเวลาอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันเนี่ยมันจะเกิดการไปยึดไปยึดไว้ไปเกาะไว้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่พอสติมันทันเนี่ยมันจะปล่อยทันทีเลยนะถ้าสติตัวจริงมันเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ดีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ดีเมื่อรู้ทันเนี่ยมันจะคลายไป มันจะตื่นขึ้นมานะคําว่าพุทธเหรือว่าตัวรู้เนี่ยก็คือตัวตื่นขึ้นมานี่ยแหละบางทีผมก็มักเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรานอนแล้วก็ฝันเนาะนอนแล้วก็ฝันเนี่ยพอรู้ตัวว่าฝันเนี่ยมันตื่นใช่ไหมเรื่องราวที่ฝันมันก็จบมันก็หยุดนะอันนั่นแหละถ้าเราตื่นจากความคิดในขณะที่ไม่ใช่ยังมีชีวิต ในตอนเนี้ยมันก็จะตื่นแลนะเมื่อคิดขึ้นมาสติรู้ทันก็ดุดออกมานะเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไปจมกับอารมณ์ก็รู้ทันว่าเออไปจมกับความโกรธแล้วนะความโกรธก็จะหายไปนะไปหลงโลภอยากได้แล้วนะเออความโลภ ก, ก็จะหายจางคลายไปเพราะอะไรมันเห็นนะเห็นมันก็ได้ตื่นนะ บางทีก็เรียกว่าเห็นบางทีก็เรียกว่ารู้นะแต่เการรู้แบบแบบเป็นผู้ดูนะรู้หรือว่าเห็นแบบไม่ไปแทรกแซงไม่ไปพยายามที่จะผักไสเขานะคือให้ดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยความตั้งมั่นนะหรือบางทีหลวงพ่อท่านบอกให้รู้ซื่อนะรู้เฉยเฉยรู้มันแบบ ถ้าจิตมันซื่อๆมันเฉยๆเป็นกลางตั้งมันนะ่นอ่ะคือเรียกว่าเรามีอุเบกขาเรามีอุเบกขาเรามีการวางใจที่เป็นกลางนะใจที่เป็นอุเบกขาใจที่รู้ซื่อๆนี่แหละนะมันคือจะทำให้เกิดการปล่อยวางนะเหมือนคล้ายๆเราทำมือตรงๆอ่ะแแ บ, แบมือนะ่นะอะไรมันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมานะ เราไม่เปกกรรมมันมันก็ไม่หนักมันก็ไม่เมื่อยนะหรือที่เราถ้าเราตั้งยิ่งตั้งตรงๆแบบนี้นะมันยิ่งอะไรกระทบมามันก็ไม่ติดนะมันก็หลุดไปของมันเองใจเราที่เป็นอุเบกขาก็เหมือนกันคือมันตั้งมั่นมันมั่นคงมันเป็นกลางกับทุกอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นทางกายความเจ็บปวดเมื่อย มันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับกายนะมันไม่ใช่เราจะไปยึดไว้ว่าอันนี้กายของเราว้ยอย่าเจ็บว่านะเจ็บไม่ได้นะนะเราจะเห็นว่าเออมันมีกายมันก็จะเจ็บเป็นธรรมดาเนาะจะไปบอกว่ามันไม่เจ็บก็ไม่ไดนะ้เรามีกายมันก็ต้องหิวเป็นธรรมดาทำงานหนักก็ต้องปวดเมื่อยเป็นธรรมดาแหละจะห้ามมันได้เหรอไม่ได้เนะมื่อเราเห็นความจริงนะ เมื่อมันหิวมันปวดเมื่อยมันเจ็บแล้วก็บรันเทามันนะความทุกข์ของกายมันต้องบันเทาต้องรักษาต้องบำบัดนะมันแก้ให้หายทุกข์โดยเด็ดขาดไม่ได้หรอกนมันยังมีกายอยู่มันก็ย่อมมีทุกข์ของกายนะแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนะมันเกิดจากพ่อโลกโลกของเหตุของโลกคือตัณหาอุปทานเนี่ยแหละตัณหาคือความทยานอยาก อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นมันเกิดความทยานอยากแล้วก็ยึดไว้มันเกิดคู่คู่กันไะตันหากับอุปทานแต่สตินี่แหละจะเป็นตัวแก้สติจะเป็นตัวแก้ทำให้เราเห็นทำให้เราทันเวลาเผลอไปยึดเผลอไปถือมันก็จะเกิดการปล่อยวางของมันอันนี้คือสภาวะธรรมเนี่ยอันนี้ถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยเราก็ทากรรมใหม่นะ กรรมในอดีตนะก็ทําไปแล้วผ่านไปแล้วนะแต่เราก็ทํากรรมใหม่ของเราทุกขณะนะเราทํากรรมดีนะเราเราละกรรมชั่วแล้วยิ่งถ้าเราทํากรรมฐานคือการภาวนานในการเจริญสตินะเจริญปัญญาเนี่แหละนะมันยิ่งจะทําให้เราพ้นออกไปเรื่อยๆนะพ้นพ้นพ้ น, นจากที่เคยติด นะมันก็พ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนคล้ายๆแต่ก่อนเราอยู่่ามกลางกองไฟนะหรือเราอยู่ใกล้ๆกองไฟเหมือนก็ร้อนเนะ้วก็ค่อยๆถอยออกเดินออกห่างออกไปเรื่อยๆเนะี่ยมันก็คือการพ้นไปเรื่อยๆนะพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆนะให้เราดูอาการพักแน่นนะมันก็จะทำให้จิตใจมันพ้นจากความทุกขนะ์แม้เราจะอยู่กับโรคนะเราก็สามารถพ้นทุกข์นะ ในทางโลกได้นะก็ทุกกายนะแต่ไม่ทุกใจเนะีนะ่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะธรรมชาติทั้งห้าประการเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเรียกเป็นกฎของกฎของธรรมชาติก็ได้นะนะความแก่ความเจ็บความตายความพัฒนาสูญเสียหรือกรรมที่มันเป็น ของเฉพาะตนนะถ้าเรามามุ่งอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นการพิจารณาจริงๆคือการกลับมาสํารวจดูตัวเองนะสํารวจดูนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะการพิจารณาตัวเองเนี่ยแหละคือการคนะือการกลับมาดูตัวเองนะหรือที่เราได้สวดบทบันพรบันพระคิดควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างทั้งหมดก็คือการกลับมาดูตัวเองนี่แหละนะนะ กลับมาดูตัวเองว่าเราทำถูกแล้วหรือยังนะมีอะไรที่เราทำผิดนะทำพลาดแก้ไขไหมนะหรือบางทีก็ดูพิจารณาถึงนี่แหละความเข้าใจความจริงนี่แหละในเรื่องของทิฏฐิความคิดความเห็นมันตรงหรือเปล่า น, ะ<อ>นี่คือการพิจารณาดูตัวเองเนะให้เราหมั่นดูตัวเองหมั่นสอนตัวเองเนี่แหละอะไรเกิดขึ้นมาก็ เอาสอนตัวเองนะอถ้าเรามีการสอนตัวเองเตือนตัวเองพิจารณาตัวเองบ่อยๆนั่นแหละอันนั้นแหละครูที่ที่สําคัญที่สุดนะอออครูที่ครูสติครูปัญญามันจะอยู่ในใจของเราคอยเตือนเราอาจจะได้ไม่ได้มีคนคอยบอกจําที่จำชัยนั่นถูกผิดอันนี้ทําได้ทําไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีสติเราจะระลึกได้เองว่ะ อันนี้ควรทําหรือไม่ควรทำนะอันนี้ควรควรพูดหรือไม่ควรพูดอันนี้ควรคิดหรือไม่ควรคิดนะสติจะเป็นคนเตือนนะเตือนนะเมื่อเตือนบ่อยๆนี่แหละก็ชื่อว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วเนาะเราได้มีชีวิตนี้ก็ได้ทําอย่างคุ้มค่าละวนะถ้าเราจะลึกถึงอดีตที่ผ่านมาเราก็จะลึกด้วยความความภูมิใจความพอใจเออ อดีตที่เราทําผ่านมาก็ทําดีมาเยอะแล้วนะไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแล้วแล้วลึกแล้วก็เกิดความสบายใจนะความสบายใจแนหะเป็นเหตุให้เกิดความสุขใจนะเราระ ล, ลึกถึงกรรมที่ทําดีเนะี่ยก็สบายใจใช่ไหมเหมือนคนระลึกถึงกรรมชั่วที่เคยทําในอดีตเนะี่ยมันก็จะทุกข์ใจแต่นั้นถ้าคนไม่มีสตินะนะแล้วบางคนก็คิดว่าการภาวนาเนี่ย มันจะทำให้เราดืมอดีตหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่เป็นการดืมอดีตนะแต่มันเป็นการระลึกแล้วมันไม่ทุกมันไม่เจ็บเหมือนเดิมนะใช่ไหมการภาวนาไม่ใช่ทําให้เราดืมเรื่องราวที่เคยทุกนะเคยมีอะไรต่างๆนะการดืมมันเป็นเรื่องของสัญญาที่มันอาจจะเป็นหน่วยความจำที่มันอาจจะตายอาจจะหายไปนเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่การภาวนาเนี่ยมันจะทาให้เรา แต่ก่อนเรื่องนี้เคยระลึกแล้วมันเจ็บใจทุกทีเลยนะระลึกเมื่อไร่ก็น้ําตาไหลนะหรือที่จริงแม้แต่อารมณ์ที่ระลึกแล้วมันแบบเกิดความพอใจสุขสนุกสนานนะอันนั้นก็คือความทุกข์แบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่เมื่อเรามีกรรมฐานเราจะระลึกแล้วเนี่ยอารมณ์มันเป็นปกตินะระลึกเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เป็นบทเรียนเฉยๆนะ บทเรียนที่เคยทำถูกบทเดียนที่เคยทำผิดบทเรียนบทเรียนที่เคยมีสุขบทเรียนที่เคยมีทุกขนะ์แล้วลึกแล้วก็รู้ตัวว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะแก้ไข <Tamb> ไม่ได้นะหวนคืนก็ไม่ได้บานะงคนเคยมีความสุขในบางช่วงของชีวิตก็อยากจะมีความสุขแบบนันะ้นบางคนมีความทุกข์แบบนั้นในช่วงของชีวิตก็ไม่อยากคิดอีกแล้วนะไม่อยากเจออีกแล้วนะ แต่ถ้าเรามีสติระดึกก็ระดึกเฉยๆเนี่ยเป็นประสบการณ์แต่ใจก็เป็นปกติอยู่หรือบางอารมณ์ยังไม่ปกตินะก็รู้ทันมันได้เร็วนะระดึกแล้วทุกใจอ่ะก็มีสติรู้ตัวว่าทุกใจนะระดึกแล้วสุขใจอ่ะก็มีสติรู้ตัวว่าสุขใจน ะ, นะเมื่อรู้ตัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ละมันก็ไม่มยิสิตเลยละ อันนี้คือนะการภาวนาไม่ใช่ให้เราลืมอดีตนะดืมอะไรต่างๆนะแต่ถะลึกแล้วมันไม่ทุกข์ใจเนะี่ยคือคือผลของการภาวนาเนาะเนะี่ยเราก็อยู่แบบนี้แหละนะเราจะลึกถึงอนาคตก็ได้นะแล้วลึกถึงความตายก็ไม่ใช่ว่าจะกลัวกงังวลนะแต่ถะาึกแล้วยิ่งยิ่งเกิดความมั่นใจว่า เออชีวิตที่เหลือเนี่ยนะเราต้องทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าความตายมันคือปลายทางของร่างกายนี้เนะอเราจะทำดีก็ทำได้ตอนที่มีร่างกายนี้เท่านั้นนะอ่ามนก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่านะเราลึกถึงความพัดผ้าสูญเสียนีย่ก็ยิ่งดีนะเออเพื่อนเราพ่อแม่เราพี่น้องเราอคนที่เราได้เจอเนี่ย ถ้าวันหนึ่งก็ต้องพัดผ้าสูญเสียแล้วนะเราจะทำไงถึงจะไม่ทำให้เราเสียใจภายหลังในการเกี่ยวข้องทำพันกันนะเนี่ยยิ่งระดึกแบบนี้ยิ่งเห็นความพัดผ้าสูญเสียยิ่งรีบขนขวายนะขนขวายทำดีต่อกันขนขวายไม่เบียดเบียนพึ่งกันและกันนะเน<อ>ี่ยมันระลึกแบบนี้แล้วมันเกิดฝรังนะในการทำนะทำกรรมดี ไม่กล้าทํากรรมชั่วนะเพราะว่ามันจะเกิดความเสียใจภายหลังถ้าเราเระลึกแล้วมันมันเคยผิดเคยพลาดเนาะนะอันนี้คือที่จริงการพิจารณาการาระลึกเนะมันคือระลึกอย่างมีสตินะแล้วก็มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะเป็นเพียงแค่อาการนะเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่ง เฉยๆนะแต่ที่จริงก็แต่ละจิตนะมันก็เกิดใหมนะ่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเราจะหาตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีหรอกนะนะเราในอดีตชาติเราในตอนเป็นเด็กเราในตอนโตขึ้นมาที่จริงมันก็มันก็เป็นเพียงแค่กนะารเกิดดับนะของแต่ละขณะแต่ละขณะเนานะ ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะคิดว่ามันคือเรานะนะบางทีเราก็ไปยึดอุปนิสัยนี่คือเราเราก็ต้องเป็นแบบนี้สินะเราเคยคิดแบบนี้พูดแบบนี้ทำแบบนี้นะเพราะว่าเราเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราจริงๆนะแต่จริงถ้าเรานะเระดึกได้จริงทนะีจ่จริงการไปคิดแบบนั้นคือการไปยึดนะไปยึดเอาอดีตมาปลูกกับปัจจุบันนะนะเอาความเป็นเรานะ ความเคยทําความเคยกินต่างในอดีตมายึดว่าปัจจุบันต้องทําแบบนั้นอีกเนะี่ยนี่ก็คือเราไปผูกเรื่องไว้ผูกตัวตนไว้ด้วยกันความเป็นเรามันก็เลยติดไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเราแยกแยะได้จริงมันเป็นเพียงแค่ความสืบเนื่องนะถ้าเราเห็นช่องว่างของความสืบเนื่องนะั่นแหละเราจะรู้นะเราจะไม่หลง เราจะเห็นว่าที่จริงมันเออมันก็เป็นเพียงแค่ความต่อเนื่องที่มันต่อกันนะนเหมือนกับกีตาร์นะกีตาร์นะเวลาเล่นเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนคอร์ดนะเปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยๆหรือสายนะทั้งหกเส้นนยมันก็นิ้วของเราก็สัมผัสไปทีละเส้นนะแต่มันต่อไปนะต่อไปเรื่อยๆนะ เปลี่ยนไปเรื่อยมันเหมือนเสียงที่เกิดขึ้นมาก็เกิดจากสายแต่ละเส้นนะจากคอแต่ละคอที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันกลายเป็นดนตรีนะกลายเป็นเพลงที่มันสืบเนื่องกันแต่จริงมันก็คือเสียงที่มันออกมาจากแต่ละเส้นมันมันสัมพันธ์กันมันสืบไปเหมือนกับคล้องที่เราตีก่อนทาวัดนะมุมแล้วก็ มันก็ส่งเสียงออกไปสุดท้ายมันก็สุดไปเนี่ยเสียงที่ออกไปแต่ละครั้งก็มันก็ออกไปไม่เท่ากันชีวิตจิตใจก็เหมือนกันนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนเสียงคล้องเกิดปุ๊บแล้วก็ดับสุดไปอารมณ์เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาก็ดับไปความคิดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเหมือนกันน มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอะไรเลยนะนะ่ะมันทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งก็เหมือนเกิดเสียงก็เหมือนเพราะมันยังมีเหตุนะเพราะมันยังมีคล้องนะเพราะมันยังมีไม้นะแต่จริงถ้าคล้องกับไม้ตีคล้องมันอยู่คนละส่วนกันมันก็ไม่มีเสียงนะนะ่ะเพราะเรายังมีขันสมมติถ้าเปรียบเทียบขันเหมือนกับคล้องนะถ้าเปรียบเทียบเหมือน อายตนะทางภายนอกนะตาหูลูกรสกลิ่นเสียงผลิตภัณฑ์ธรรมารมที่มันกระทบเนี่ยมันก็ย่อมกระทบขันนะแต่ถ้ามันเนี่ยมันกระทบแบบมันก็อยู่แยกกันอยู่เราเห็นว่ามันถ้ากระทบแล้ววิสติรู้ทันเนี่ยมันก็จบกระทบแล้วมีสติรู้ทันมันก็จบเนี่ยมันเหมือนคล้องกับไม้ตีคล้องมันก็อยู่คนละส่วนกัน เหมือนกับเราก็อยู่กับโลกนี้แหละนะเรามีขันห้าก็อยู่กับโลกนี้โลกนี้ก็มีลูรกรสกลิ่นเสียงต่างๆเยอะแยะมากมายมันก็ย่อมกระทบกันนะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันเหมือนนะเราก็จะแยกกันได้อแยกกันกระทบแต่ไม่กระเทือนนะเห็นนะแต่ไม่หลงได้ยินเสียงแต่ไม่หลงนะได้กลิ่นก็ไม่หลงได้รสก็ไม่หลงอันนี้ ถ้าสติเราดีมากๆก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าสติยังไม่มากพอมันก็หลงไปก่อนนะมันก็ทบแล้วก็หลงนะแต่หลงแล้วเราก็หยุดหยุดคล้ายๆเหมือนกับตีคองนะถ้าเราตีไปแล้วไปจับตัวคองเนะี่ยเสียงก็จะหายไปนะที่มันเคยคางนานๆสมมติพอเราหลงไปให้มันกระทบกันเกิดอารมณ์รงแต้มแล พอเราไปจับค้องไว้นยะมันก็จะหยุดทันทีเนหะมือนความคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันก็พอรู้ทันมันก็หยุดทันทีนะเนี่ยก็ทำนะทำบ่อยๆนะพิจารณาในใจนะแบบนั้นก็ช่วยนะเป็นนำล่องนะคิดนำล่องนะคิดเทิงธรรมะนะเป็นตัวนำล่องไว้แล้วก็ อาศัยการกระทํำนะกลับมาดูตัวเองบ่อยๆกลับมาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่อยๆนะมันก็จะทําให้เหมือนเราเดินเหมือนร่องน้นะําเนาะเราขุดร่องไว้เมื่อเทน้ําน้ําก็จะไหลไปตามร่องน้ําที่ที่เราขุดนั่นแหละนะอันนี้ก็เหมือนกันร่องความคิดที่เป็นสังมาทิฏฐินะนะความเห็นชอบหรือว่าความคิดชอบนะนะมันก็จะเป็นร่องที่จะพาเรานะพอเราเดินตามนะ ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็จะเป็นร้องที่จะพาเราออกจากความทุกข์ได้เนานะการพิจารณาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่พิจารณาเฉยเฉยถ้าไม่กระทาด้วยนะมันก็ยังไม่ถึงนะนะเหมือนมีร่องน้ำแต่ไม่มีน้ำมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะนะเราพิจารณาด้วยแล้วเราก็ทำให้มันได้อย่างที่พิจารณาด้วยนะั่นแหละสุดท้ายมันก็จะเกิดความนะเกิดผลเนาะนะ ปริยัตปฏิบัติแล้วก็ย่อมเกิดปฏิเวทนะนะก็ฝากไว้เนาะ